หมายถึงจุติจิตหรือจุติวิญญาณของพระอระหันต์หรือเรียกในยะหนึ่งว่าปรินิพานาจิตคือจิตสุดท้ายที่สิ้นชีวิตของพระอระหันต์หรือจิตขณะที่ปรินิพานคำว่าเจริมะวิญญาณมีใช้ครั้งแรกในจุลนิเทศซึ่งเป็นคำภีชันรองในพระไตรปิฎกดังความว่า เมื่อพระอาหารหันต์ปริณิพานด้วยอนุปาทิเสสะปริณิพานธาตุนั้นเราความดับไปแห่งจริมะวิญญาณธรรมะเหล่านี้คือปัญญาและสตินามและรูปย่อมดับคือสงบถึงความไม่ตั้งอยู่ระ ง, งับไปณนะที่นี้ในสมัยอัทธกถาคำว่าจริมวิญญาณและจริมาจิตมีใช้มากขึ้น บางแห่งกำหนดเอาการบรรลุอนุปาทิเสสนิพานด้วยการดับเจริมาจิตพร้อมกันนั้นก็กำหนดเอาการบรรลุสอุปาทิเสสนิพานหรือเริ่มดำรงอยู่ในสอุปาทิเสสนิพานด้วยการบรรลุอรหัตผลอันหนึ่งพึงสังเกตว่าในคัมภีร์ฉบับอักษรไทยเจริมาจิตและเจริมะวิญ ญ, ญาณ เป็นปุริมาจิตและปุริมาวิญญาณคือจิตหรือวิญญาณที่มีมาก่อนซึ่งมีคำภีฉบับอักษรไทยหลายแห่งแต่หลักฐานยันกันเองว่าที่ถูกเป็นเจริมาเช่นในบาหลีเป็นปุริมาแต่อัตถกถาที่อธิบายความตรงนั้นเป็นจริมาข้อความเดียวกันอยู่ในคำภีคนละเล่มเล่มหนึ่งเป็นปุริมา แต่อีกเล่มหนึ่งเป็นเจริมะเป็นต้น